อ่าตางดำนต่ออืร อ, อยากจะขี่จะนำเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมที่เรากำลังทำอยู่ใร้ได้ยินสิ่งที่เราได้ทำสิ่งที่เราได้ทำเป็นสิ่งที่เราได้ยิน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 ไม่ใช่คิดซ้ายไม่ใช่คิดขวาเมื่อไม่คิดซ้ายไม่คิดขวาก็ผ่านไปได้ง่ายเหมนท่อนตรงที่ไหลาตามแม่น้ําพระอรหันต์บางโกูกสําเร็จเป็นอรหันต์ได้ก็เพราะเห็นท่อนตรงไหลาตามแม่น้ํานั่งอยู่ฝั่งแม่น้ํา ตอนสูงท่อนไหนตอนสูงท่อนใดที่ไหลติดฝั่งซ้ายก็ย่อมถูกอ่ะมนุษย์ลากขึ้นไปชํำระเป็นอันอื่นตอนสูงท่อนใดติดฝั่งขวาก็ถูกอมนุษย์ลากขึ้นไปไปไม่ถึงไหนตอนท่อนสูงท่อนใดไหลอ ย, อยู่กลางกลางนา้ำก็ย่อมผ่านไปถึง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 แค่ไม่เป็นมีอะไรก็ไปทำให้ซุดโสมอยู่เรื่อยชนไม้ชนโหดหินชนอะไรต่างๆกระทบกระเทือนมันก็ซ่อมเหมันก็ใช้รถต่ชนนอนชนนี่ก็ซ่อมแค่ไม่ได้นาน ใช้กายใช้ใจก็เหมือนกันให้มันอยู่ในทางให้เห็นนี่เป็นทางไม่กระทบก็เทื่นอะไรกลาเป็นเรากระทบสุขก็กระทบท้อเท่ากันสุขก็เท่ากันทุกก็เท่ากันเป็นสังขานไม่ไม่เที่ยงหัวล้อก็เหนื่อยเหมือนกันล่องให้ก็เหนื่อยเหมือนกัน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 อย่าเอาเหตุแล้วผลเวลามันหลงไม่ชอบเวลามาลูกเออดีไม่ใช่เวลามันสงบเออดีเวลามันพเพ่งชาติไม่ดีไม่ใช่แบบนั้นเคยถามนักปฏิบัติเห็นหน้างอหนางอนางงา้่งทำจังหวาอยู่เป็นไงหนูคดออกมาไม่ไม่ไหววันเนี้ยแก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 เห็นอย่าไปเป็นไปกับมันเห็นมันเครียดไม่เป็นผู้เครียดเห็นมันง่วงไม่เป็นผู้ง่วงหลวตาบอกจยางนี้ทำไมไปเป็นมันดื้อเหรอทํทำไมดื้อทำไมไม่เชื่อฟังมีคนบอกแล้วตัวเองไม่ทำต่างหากไม่ยใช้ว่าไปโทษตัวลราไปโทษอะไรต่างๆ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 น้ำมันอยู่ได้นานๆลองหลงถ้าหลงเป็นหลงไม่มีโอกาสแก่ค่าุกเป็นฉกทุกเป็นทุกไม่มีโอกาสแก่ค่ายังอ่อนอยู่เป็นนว ก, กะต้ให ม, ม่อยู่ไม่เป็นอาวุโสไม่แก่ค่า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 ศึกษาเรื่องนี้เท่านั้นเห็นเนี่ยไม่ใช่เลิกน้อยนะแล้วก็ทำได้ทุกชีวิตจิ่งที่เรารที่เราต้องเห็นก็ไม่ได้ไปหาซ่อค้นดูที่ไหนมันเกิดขึ้นมาเป็นชุมทางสติปัฏฐาน4ี่เป็นชุมทางทำให้เกิดอะไรต่าง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 ต้นต้นจากตรงนี้แตกแขนไปเลยเห็รูปทำเห็นนามทำแตกแขนไปเลยบัดนี้รูปมันทำนามมันทำเห็รูปทุกนามทุกเอาสนุกต่บัสนุกลื้อโถดคงสร้างรลกทุกนามทุกโรคโรคนามโรคโอ้พอเห็นรูปโรคนามโรคเนย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 ่ลูกสมมุตินาอสมมุตินี่แก่ข้าระบาดอ่านี้แต่สมมติมันหยัดไม่ใช่ปรมตจสัจัวามหลงเป็นสมมติมัญนัตัดก็ไม่หลงเป็นปรมาจิตจักรวมทุกข์เป็นสมมุติมันหยัดก็ไม่ทุกข์เป็นปรมาจิตจักวงโกรธเป็นสมมติมันหยัดก็ไม่โกรธเป็นปรมาจิัจักมันจริงกูอ่านไปเลยตาจะเรียกว่าเข้มแข็งมากตอนนี้แล้ว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 ต้ไม่เป็นเลยนันทุก็ทุกอยู่แล้วนี่เห็นสมมติเห็นบัญญัติเห็นปรัมมัดวัตถุอาคางต่า ง, างๆเข้าสูส่ศีลเข้าสู่สมาธิเขา้าถูกปัญญาศีลก็ช่วยเราบ้างแต่ก่อนรักษาศีลต่อไปนี่ศีลจะรักษาเราแล้วสมาธิช่วยปัญญาช่วยเราบ้างนะ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 ถ่ายปีละเดือนสองเดือนปล่อยเท่งไปเวลาปีใหม่จับมาถ่ายหกมันเป็นเด็กมันไม่ลืมอ่ะมันไม่ลืมเขาตาประอยู่มึงเลยเขาถ่ายนานเขาไม่เขาม่เขาไม่ทำอะไรเขาไม่ช็ดเชือกตกเขาไม่ต่บอกอ่าัวเขาเทเที่ ไถเขาไปทางซ้ายเขบอกว่าขว้าขวามันก็ไปขว้าไปขวางกันไปก็บอกว่าซ้ายซ้ายแต่เบอกว่าถ้ามันไปตรงเออตรงไปตรงไปตรงไปหยุดมันก็หยุดไปมันก็ไปเวเทียนเกียนนี่เขาไปเกียนเออไม่ขึ้นเกียนนี่ยต้อไม่ได้ปวดขวาเขียนเกียนนะต้องให้มันถอยนะถอยหลังให้มันดันนะ เวลามันถอยหลังถอยถอยมันก็ยกคอขอกันก็ถอยหลังไปแอกติดคอมันยกค อ, อ ข, อขึอ้ขอขอขนลงสูงยกหัวขึ้นลงสูงบอกให้มันเลยน้ามันก้มลงกันดันไปนยุดมั น, มนามา ก, กน็ยุดเอาไม้ลงก็เหมือนกันเคยเคยให้ชาวบ้านลากไม้ม า, า, มาเลื่อยในวัดพุทธยานสร้างวัดพุทธยาน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 อลูกใจปัญหาอยู่ที่ใจเนี่ยอันเกินคลื่อนไหวของกายคือเนี่ยเราหัดอยู่เนี่ยอิบุตรต่างๆตามสติปัฏฐานสี่ากายานวัตนาสติปัฏฐานมิสติดูกายเป็นประ จ, จํมามันจะเห็นเวตาสุขทุกข์เกิดจับกายก็เห็นอีกมันจะเห็นจิตที่มันคิดนะั่นนะการคิดการเคลื่อนไหวของจิต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 คไม่ทรัพเสียงเงินทองก็คิดแบบคนมีทรัพเสียงเงินทองคนจนก็คิดแบบคนจนพระเจ้าจึงบอกไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยมันดีที่สุดเรามันก็ปิดบังก็ติดมาคิดเราใช่ไม่ค่อยเป็นสำสอนเกินไปเ่้ยชื้อชื้อไล เิคคคคดความสุขเิดความทุกเกิดความรักความชังความโลภความโกรธความหลงความดีใจเสียใจอันเคยใช่แบบนั้นก็เลยมีรอยอยู่มันก็จะเห็นหมวดนี้ด้วยมันไปแล้วก็กลับมาสมัยก่อนรพระเจ้าอาจจะพระจิตถาอาจจะนั่งอยู่ต้นสีมหาโพธิ์คิดถึงพิพาละขุนคิดไปก็กลับมา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 บางทีก็เกิดอาการขึ้นมาทำท่าจะเป็นร้อนเป็นหนาวเป็นไข้ก็กลัวตายมันคิดกลัวตายขนาาก็มีสติรู้ขึ้นมาบางที่เห็นวูเลื่อยมาก็อันตรายกิด็คิดกลัวไปไม่ปลอดภัยฝนตกก็ถูกแลดออกก็ถูกก็อยุ่มคิดนะอาจจะยากกว่าพวกเราเนี่ยด้วยนะ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 อาจารย์น ก, ก็เจริแล้วไปหลายเที่ยวแล้วอาจารย์ไปสารเจ้าวันเดอรใครก็รู้ก็มีธรรมะเช็ปัญหาของตระเชตชาติก็อาศัยรธรรมะแนวจะรับรังบัลศีบุรภา นับโลไว่ไหวคิวกติหลวงตาก็มีโลจากไปสารยังไม่เอามาสำนักงานอ่าก็เป็นอย่างนี้มีกิจความความใช่ได่งานที่มันใช่ได้าจากามนุษย์คนหนังนาในเราก็มีมีสติมีหนพโพธิ์ที่เราสร้างขึ้นมาให้มันโงกเป็นงาม